บทที 73. ่73ได้รับอนุญาตได้คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือตบลโร ม, มูชิดอลกอลเนนพวยคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือแตบยนยิจจอนุญาตได้ั่งเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ น้มงนื้ทุกคริตตรงนีสูบบุหรี่ได้ไหมคะทุกมุ้ง ค, คริ จ, จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะมจะ้จะจ่ยตครดิตะ จ, จ่ายเช็คได้ไหมคะ м о ้ н เ за ้อจยเชคไะจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะขอถามอะไรได้ไหมคะขอพูดอะไรได้ไหมคะเ ข, ขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ я ย่ามุ่งเนื้อหาสปอ к ูปคุ่เขานอนในรถไม่ได้อย у ามุ่งเนื้อหาสปอยู่อัลตบลิเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้อย่ามุ่งเนื้อห н สปอยู่นาซลเราขอนั่งได้ไหมคะน้ м о ุ н ง тут с е с สิเราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Мы можем отрымать меню. м Мы можем заплатить пособку. По